อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเคยค่ะและเมื่อพบกันในตีหาถึงตีห้าครึ่งของเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนประจํารายการธรรมารับอรุณก็คงจะทราบว่าตนเองก็จะได้มีโอกาสที่จ ะ, ะมีบุญนะคะได้มาเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้าน ในการที่จะมาสนทนาธรรมหรือที่เรียกว่าสาักฉากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนนโนค่ะซึ่งท่านพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุนโนท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเรียกว่าอบรมตามพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นเป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่านําชั้นนําของ พระกรูหลวงพ่อดออรสอาดธิตพัชโศหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหายโศก ค, ค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นมือขวานะคะก็ทําให้วัดป่าดอนไหายโศกนั้นได้มีส่วนในการที่จะนําธรรมะดีๆมาเผยแพร่ให้ทัานผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำํำคิดว่าท่านคงจะทราบแล้วว่าตั้งแต่หลังออกปัรษา ม, มานานเนี้ยก็จะได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กราบนิมนต์ พระอาจารย์ภัยบุญอภิบุณโนท่านมาสนทนาธรรมในหัวข้อแตกต่างกันไปต่อปัญหาอะไรต่างๆก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังกันเสมอมานะคะเอาละครเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะจะเป็นเช้าวันเสาร์ที่3ธันวาคมค่ะก็เรียกว่าเข้ามาถึงเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะเสาร์นี้ก็เป็นเสาร์แรกขึ้น8ข่้าเดือนหนึ่งนะคะปีมะโรงค่ะซึ่งก็จะเป็นวันที่เรา คิดว่าหลายท่านคงจะทราบว่าเมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนทีไรเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ า, าจะเป็นปีแห่งมหามงคลนะคะซึ่งสําหรับเรื่องของอาการที่จะพูดถึงเป็นมหามงคลอย่างไรซึ่งอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งหมดทั้งปวงเนื่องจากเป็นวันหรือว่าเป็นเดือนที่เราจะได้น้มกล้าวนมกระหม่อม แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพ่อในองค์พระบาทสนุนพระเจ้าอยู่หัวนั้นเราจะคุยกันหรือสักษาในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะคะแต่สําหรับในเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งจะได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พบุรนภิบุนโนได้มาสนทนาธรรมนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะนําเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะจะปฏิบัติอย่างไรนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านตามมากราบนมัสการแล้วก็รับทราบจากพระอาจารย์พบุรนภิบุนโน พร้อมๆกับดิฉันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าคะทราบว่าพระอาจารย์เมตตาที่จะเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมาอย่างที่เคยสนทนาอันนี้หมายถึงการปฏิบตับ ต, บติบูชาไหมเจ้าค่ะหรือว่าการปฏิบัติตนของบรรดาคารว่าเราเพือ่อให้เป็นพุทธศาสนาชนที่ดีเจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะการการปฏิบัติที่พูดถึงนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นคนดีแล้วการที่เราเป็นคนดีเนี่ย ก็คือการบูชาละ <Okay. S 2> อย่างที่ในหลวงบอกใช่ไหมว่าเออจะเป็นคนก็เรียกว่าจะบูชาหรือจะยกย่องใครเราก็ทําเป็นคนดีก็ชื่อว่าช่วยชาติละเหมือนกันซึ่งซึ่งพระธรรมบัตของในหลวงตรงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับพุทธวจนะเนี่ยที่เคยบอกเอาไว้ว่าต่อให้อยู่ไกลจากเราแม้กระทั่งร้อยโยนะ์แต่ถ้าผอว่าทําจิตดี มีศีลธรรมมีกายวาจาใจบริสุทธิ์เนี่ยก็ชื่อว่าบูชาล ะ, นะ่ไม่ต้องเดินทางมาก็ได้อยู่ที่นั่นก็ชื่อว่าบูชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติถูกเนี่ยทําปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะมาคุยตรงนี้กันซึ่งวันนี้จะสอดคล้องกับเนื้อหาของเมื่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่คุยเอาไว้นะในเรื่องของการปฏิบัติ เมื่อวันอังคารนะที่อาตมาอธิบายให้ฟังว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอย่างที่หยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดเนาะอย่างอย่างเช่นว่าเหมือนกับทองพวกพุทธเจ้าเคยเปรียบกับทองเวลาก็าําเหมืองทองคุณเตือนใจเขาจะต้องไปขุดนะเอารถเอารถตักดินเนี่ยตักดินมาเป็นตันๆเลยนะแล้วก็มาใส่ในรางใช่ไหมสายพานก็วิ่งไปวิ่งไปเนี่ยไอ้รางเนี่ยรางที่นําดินนี้ไปเนี่ย เหมืองแร่เนี่ยเาจะตรวจสอบแล้วนะว่ามันมีสินแร่ทองคำอยู่ใช่ เ, เขาก็จะคอยตักดินตักดินตักขึ้นมาดินพวกนี้จะไปไหนแล้วมันก็จะไปเข้าสู่กระบวนการล้างกระบวนการล้างอย่างแรกเนี่ยก็คือล้างพวกเศษหยาบๆออกให้หมดก่อ น, นเป็นพวกดินพวกหินก้อนใหญ่ๆเคียออกแล้วก็เหลือแต่ที่ละเอียดละเอียดใช่ไหพอล้างอันแรกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาผ่านกระบวนการที่สองนั่นคือการล้างอย่างกลาง การล้างอย่างกลางนี่ก็จะเหลือพวกก้อนกรวดอย่างหยาบทรายเนี่ยพวกนี้แล้วก็ล้างอย่างละเอียดเนี่ยก็คือกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างละเอียดแล้วก็พวกเสะเก็ดกระลำพักเ น, นี่ย น, นี่คือล้างอย่างมีล้าง3อย่างพอล้ <headache. S 2> าง3อย่างด้วยการล้างหยาบทีห่งล้างอย่างกลางทีหนึ 1, ่งล้างอย่างละเอียดอีกทีห่งก็จะเหลือกองทรายทองเป็นผงเล็กๆละเอียดละเอียดนะเป็นทองเป็นผงๆอย่างนี้ เหลืองอารามเลยนะเจ้าะคะเรียกว่าเป็นทองเนื้อแท้ใช่ตรงนี้ยังเอาไปทําอะไรไม่ได้นะเขาจะต้องเอามาเป่ามาหลอมนะให้เป็นทองคือเขาจะเอาไอ้ผงทองเนี่ยกองทรายทองเนี่ยไปอยู่บนปากเบ้าแล้วก็พ่นไฟเข้าไปนะเพื่อให้แต่ละอันแต่ละส่วนเนี่ยมันหลอมแนบเนื้อเป็นอันเดียวกันสนิทเป็นทองมีเนื้ออ่อนนํารถฝาดออกไป แล้วก็เป็นทองที่จะสามารถเอาไปขึ้นรูปทําป็นพุทธรูปก็ได้ทําสร้อยคอต้มหูต่างเลดหรืออะไรต่างๆได้หมดโนะดวยวิธีการนี้ซึ่งมันพอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะหาไอ้สภาพแร่ทองคําเดิมไม่เจอเลยเหลือแต่ทองคําที่เป็นบริสุทธิ์สะอาดนะที่ใช้งานได้เหลืองอัลามอย่างนี้น ะ, ะอันนี้พระเจ้าเปรียบที่จะเป็นอุปมาอุปไม่ว่าในการปฏิบัติทางจิตของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ย การปฏิบัติเนี่ยทำจิตให้สะอาดเนี่ยมันก็เป็นลำดับลาดับนะอย่างหยาบยาก่อนนะที่พุทธเจ้าพูดถึงกายวาจาใจเป็นทุจริตนั้นะเราเอาออกไปซะเช่นว่าฆ่าคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรยัยพวกนี้เราหยุดซะก่อนนหะยุดแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งละนี่คือเรื่องของศีล ส่วนเรื่องของใจเนี่ยก็คือกายากายเป็นบริสุทธิ์วาจาเปนบริสุทธิ์ละก็คือศีลกลุ่มกายกับกุมวาจาใช่ไหมในเรื่องที่3คือเรื่องของใจเนี่ยในส่วนของหยับหยาบนะใจเนี่ยคือเราไม่คิดอาฆาตพยาบาทคนอันนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้ว่าคนที่คิดจะรักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะของยังไม่หายหแต่เขาคิดจะรั ก, กถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เขารักทันทีเขาเขาโมยทันทีอันนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิ นั้นในขณะที่นี่คืออย่างอย่างหยาบที่เราจะต้องละให้ได้เพราะนั้นไอ้เรื่องการละตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่วัดเลยมันอยู่ที่ตัวเรานะถ้าตราบใดที่คุณมีกายวาจาใจาอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณก็ปฏิบัติได้นะไม่จำเป็นต้องมาวัดหรือไม่จำเป็นต้องไปคุยกับพระแค่แค่ทำแค่นี้เราก็ชื่อว่าละกิเลสอย่างหยาบละเราปฏิบัติอย่างหยาบยาบได้ละนี่คือคขั้นที่1นนะทีนี้ขั้นที่สองเนี่ย ก็พระพุทธเจ้าพูดถ like ึงการละกิเลสอย่างละเอียดละเอียดคือปฏิบัติอย่างกลางขึ้นมายังไม่ละเอียดสุดอย่างกลางขึ้นมาละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยคืออย่างกลางคือบางทีเรามีความคิดบ้าๆบอๆเช่นมความคิดแม่ฉันก็อยากกินอันนี้นะเดี๋ยวให้ลูกน้องไปซื้ออันี้มากินดีกว่านะไม่ได้กินหลายวันละอย่างนี้เป็นความอยากในกามบางทีเราก็รู้สึกไม่พอใจคนนี้อ้าอยู่ๆทาไมพูดอย่างนี้ขึ้นมาไม่รู้จักการละเทศเรามีความไม่พอใจขึ้นมานะอันนี้เป็นกิเลสอย่างกลาง นะที่เราจะต้องคอยควบคุมจิตนะไม่ให้มันไหลไปทางนน้นพระพุทธเจ้าใช้คําว่าความนาริตในทางกายความนําริตในทางพยาบาทแล้วก็ความนําริตในทางเบียดเบีย น, นนี้คือ3อย่างซึ่งตรงนี้จะไม่เหมือนกับพยาบาทหรือไม่เหมือนกับความมิจฉาทิฐิตรงที่ว่ามันยังไม่ก้าวไปในความเป็นมิจฉาทิฐิอย่างเช่น<ช>ว่าแค่อาจมาหรือใครบางคนยังละ ก, กิเลสอย่างกลางไม่ได้ใช่ไหมอาจจะคิดอยากกิน น, นู่นนี่ อันนี้มันเป็นไปได้นี่คือความคิดอย่า ง, างกลางความคิดอย่างความคิดทางการนะดำริในทางการแต่ว่าการกินของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปขโมยเขากินเราไม่ได้ไปลักเขาโกงเอาเงินที่โกงไปซื้อของมากินนะแต่ต่างกับอันแรกแรกกินเละอย่างหยาบเนี่ยคือคุณโกงเขาเรียบร้อยละแล้วเขาไปซื้อของมากินอันนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิเช่นขโมยเป็นต้นกนะายทุจริตเช่นว่าไปขโมยของเขาเป็นต้นอย่างนี้จึงได้กิน มันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่นี่คือเรื่องของกิเลสอย่างกลางๆเพราะฉะนั้นไอการปฏิบัติอย่างกลางเนี่ยเราต้องเริ่มมีสติมากขึ้นใช่ไหมถ้ากลับไปการปฏิบัติอย่างหยาบเนี่ยบางทีกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ควบคุมเราอยู่ละว่าเอา้เอาคุณห้ามลักขโมยนะคุณลักขโมยคุณต้องไปขึ้นศาลนะคุณต้องถูกตำรวจจับนะหรือว่าสุราใช่ไหมคุณต้องซื้ออายุ18ปีขึ้นไปก็ยังมีกฎหมายคอยควบคุมอยู่ใช่ไหมที <จบ S 1> นี้ <จบ S 1> พอขั้นละเอียดขึ้นมาหน่อยนะคือขั้นอย่างกลางเนี่ย จิตเราต้องควบคุมจิตเราเองลนะเราต้องมีสติขึ้นมาบ้างพอสมควรใช่ไหมทีนี้พออย่างละเอียดพระพุทธเจ้าพูดถึงขั้นที่3านมะคือการปฏิบัติอย่างละเอียดนะการปฏิบัติอย่างละเอียดตรงนี้มันละเอียดเข้าไปตรงที่ว่าบางทีเราต้องนั่งหลับตาแล้วก็พิจารณาหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งตรงนี้คือกิเลสอย่างละเอียดตรงนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้น5อย่าง กาเครื่องการกันก้นที่จะทําให้จิตเราไม่เป็นสมาธิถ้าใครเคยนั่งสมาธิอย่างในช่วงสัปดาห์ก็จะมีการปฏิบัติด้วยการผานั่งสมาธิของในรายการธรรมระบรุนเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าออกไปบางทีเนี่ยมันไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นี่คือความฟาุ้งซ่านบางทีเราก็โอยง่วงขี้เกียจไม่ทําดีกว่าอันนี้เป็นเป็นความง่วงเหงาหนอนบางทีเราก็มีความคิดบ้าบอโผล่ขึ้นมา คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตเป็นไปหมดพวกนี้จะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะที่เวลาเกิดเวลาเราทําสมาธินั่นคือนิวรังห้าโจค่ะทีนี้3ระดับตรงนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเออแต่ละร ะ, ระดับแต่ละระดับเนี่ยก็ทําให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งละเอียดลงไปอย่างนี้นะโจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ว่าหมายถึงระดับที่ละเอียดที่สุด นะมันต้องมีทั้งระดับกลางก็มีระดับหยาบหยาบก็มนะีซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เราจะต้องผ่านมาละผ่านมาละผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอแล้วจนกระทั่งได้ทองคําที่แท้ออกมานะได้จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ออกมาแล้วจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างเงี้ยก็จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคือในกระบวนการการผลิตทองคำเนี่ยนะคุณเตือนใจที่เขาเอาเอาสินแร่มาล้างเนี่ย พ, พอล้างอย่างไปหลังไปแล้วเนี่ยไอเศษที่ออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปนะ เขาก็เอามากลับมาล้างใหม่ก็จะมาเพราะบางทีมันมีทรายทองปนอยู่ปนเปื้อนอยู่ที่ยังล้าง<จ>ไม่ดีเพราะนั้นเขาก็จะวนกลับไปวนกลับมาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยบางทีเราต้องวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้เพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นนะแล้วเราก็พอสะอาดถึงที่สุดละเป็นพะระอาจารย์ละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละก็ไม่กลับเป็นอย่างเดิมอีกเป็นทองคําเนื้อแท้นะที่อ่อนโยนคนรแก่ ก, การงานของช่างทองจะทําเป็นสร้อยคอเครื่องประดับอะไรต่างๆก็ สวยงามเลยเจ้าคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของทองคําว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าคะตั้งแต่เป็นสินแร่จนกระทั่งต้องมีการทําล้าง3ระดับอย่างที่พระอาจารย์ภัยบูลได้เมตตาชี้แจงไปแล้วนะเจ้าคะก็เปรียบเหมือนจิตของคนเราที่เป็นบรรดาคราว่าทั้งหลายนะเจ้าคะก็คงจะต้องมีระดับเหมือนกันในการที่จะปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ ใ, ให้จิตเราละเอียดขึ้นเรื่อยๆๆเจ้าค่ะ ทีนี้บางคนมีหลายๆคนที่เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยแล้วเขาก็มาถามว่าเนี่ยดิฉันหรือกระผมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยอยากให้พ่อมาอยากให้แม่มาด้วยแต่พ่อไม่ยอมมาแม่ไม่ยอมมาจะทํำยังไงดีไปดึงเขาไปคุยกับเขาทํายังไงเขาก็ไม่มาแหมมันก็ต้องเป็นระดับระดับของเขาวะนะ <c oughs> ถ, ถ้าสมมุติว่าเอาเอาเอ า, เอาทองสินแร่เลยเนี่ยมาล้างอย่างละเอียด เ, ยเครื่องล้างอย่างละเอียดไม่สามารถรับสินแร่นั้นได้เต็ม เพราะว่าตะแกงเอยมันก็ละเอียดน้ําเอยมันก็ต้องเป็นน้ําค่อยๆมันต้องไปผ่านการล้างอย่างหยาบหยามาก่อนใช่ไหมน้ําต้องแรงตะแกงต้องหยาบหน่อยนะแล้วคนกวนนี่ก็ต้องเป็นคนกวนอีกแบบหนึง่งมีเทคนิคการที่จะมากรี่ยล้างล้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างเช่นว่าคุณมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการปฏิบัติอย่างละเอียดละคือเริ่มอย่างกลางถึงอย่างละเอียดแต่ ถ, ถ้าคนยังหนาห น, นาอยู่เนี่ยจะดึงเข้ามาอยู่แบบนี้เขาจะอยู่ไม่ได้ เพราะนั้นเราก็ต้องชักชวนก่อนให้เขาตั้งอยู่ในกายวาจาใจเป็นสุจริตก่อนจะไหมเขามีศีลไหม เ, เขาปฏิบัติศีลไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆให้ทานมีสัมมาทิฏฐิคบเพื่อนดีเดี๋ยวเขาจิตจะน้อมไปในการที่จะมานั่งหลับตานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเองนะอก็ค่อยเป็นค่อยไปว่างั้นเถอะเจ้าค่ะก็คงจะเปรียบเหมือนกับบันที่บรรดาลูกศิษย์ของพระอาจารย์น่ยเจ้าค่ะ อ, อย่างเช่นน้องๆที่ไปจากกรมประชาสัมพันธ์ ไปปฏิบัติที่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีจิตน้อมไปในทางธรรมอยู่แล้วก็คือไปพุ๊บพวกนี้ก็ตั้งใจกันเต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ไม่ใช่อยู่อบางคนชวนก็ยังไม่ไปเลยแต่นี้ก็มีที่ชาว บ, บ้านบอกว่าบุญไม่ถึงเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นจริงไหมเจ้าคะว่าคือบุญเขาไม่ถึงะบาปเขายังหนาอยู่เขาก็เลยมาไม่ได้สัทีอะไรอย่างงี้เจ้าคะ่ะอันนี้เป็นศัพท์ชาว บ, บ้านที่เรียกว่าบุญไม่ถึงะนะแต่ถ้าเป็นพุทธวัจนะก็คืออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าอ๋อเจ้าค่ะอินทรีย์ยังไม่แก่กลาเเยจะรับ ของที่ละเอียดละเอียดไม่ได้อย่างเราเอาเพชรไปให้ลิงอะ่ะกับเอากล้วยไปให้ลิงมือซ้ายถือเพชรมือขวาถือกล้วยอย่างเงี้ยลิงววคว้ากล้วยก่อนเลยนะคุณเดิอนใจลิงไม่เอาเพชรนะเจ้าค่ะเพราะว่ า, วากล้วยกินอร่อยนะเจ้าค่ะลิงมันก็เห็นกล้วยเป็นของสําคัญในขณะที่เพชรนี่มันไม่มองเลยด้วยซ้ําต่อเมื่อท้องมันอิ่มแล้วมันถึงจะมาเล่นเพชรเดิถึงมาจับอันนี้อะไรเป็นยังไงแข็งไหมมันก็มาเล่นไปตามเรื่องตามราวของมันซึ่งเหมือนกันจิตของเราเนี่ย เราต้องทำให้ละเอียดขึ้นมาสัหน่อยก่อนนะโดยการละสิ่งที่เป็นกายวาจาใจอันเป็นทุจริตะซึ่งตรงนี้มันทำไม่ยากนะแค่เราตั้งมั่นในศีลนะเรามีเพื่อนดีเรามีสัมมาทิฏฐิเราไม่คิดพยาบาทเปลี่ยนซึ่งการกระทำตรงนี้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปใช่เจ้าค่ะแล้วก็มันไม่ยากด้วยเจ้าค่ะแล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในกระบวนการเหมือนกับการล้า ง, งทองคานี่แล้วเนี่ยนะ พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณวุฒิวัยญาณวุฒิของเราก็เพิ่มตามระดับอยู่แล้วเพิ่มตามทุกปีทุกปีอยู่แล้วนะคุณวุฒิของเราก็จะเพิ่มด้วยเพราะความที่เราจิตของเราสูงขึ้นสะอาดขึ้นสูงขึ้นสะอาดขึ้นความบริสุทธิ์มันก็มากขึ้นใช่ไหยแล้วตรงนี้ก็ไม่ยากกระบวนการที่ทําจริงๆเอาแค่ ง, ง่ายๆอย่างว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยาบางคนก็อย่างที่อาจมาจะแนะนําก็คือว่าเอาคุณตื่นเช้าใช่ไหมคุณตื่น7จ็ดมอย่างเงี้ย ตื่นก่อนเวลาตื่นจริงๆสัก10นาทีนะแล้วช่วง6กโมงห้ถึงเจ็ดโมงทำอะไรนั่งสมาธิก่อนนะแค่10นาทีเจ็ดเจโมงเราค่อยออกไปทํากิจส่วนตัวนะพอตอนจะนอนอนอนกี่โมงนอนห้าทุ่มใช่ไหมงั้นแทนที่จะหลับตาไปเลยตอนห้าทุ่มเนี่ยก็นั่งสมาธิสักก่อน10นาทีนะห้าทุ่มสิค่อยเอ็นกายนอนนะแค่เช้า10นาทีเย็น10นาทีนะเราก็ค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะวันนี้ เอาครึ่งปีนี้6เดือนนี้ก่อนทำสิบนาทีอีกหกเดือนหน้าเพิ่มเป็น15บห้านาทนะีปีหน้าเอาเป็นยี่สิบนาทีเช้าเย็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราจะค่อยๆปฏิบัติ ด, ดีขึ้นไปปฏิบัติ ด, ดีขึ้นไปนะก็จึงจ ะ, จะชักชวนท่านทั้งหลายมาทําอย่างนี้เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ เ, เรียกว่าล้างทองคำำําทําจิตของเราให้สะอาดมากขึ้นสะาดมากขึ้นเลยอเจ้าค่ะสาดดเจ้าค่ะ ซ, ซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำอย่างนี้ซึ่งคุณเดินใจเคยมาปฏิบัติที่วัดปด่าดอนไหโศก็ต้องทําอย่างนี้เหมือนกันถูกไหมใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้โดยมากพวกที่เราไปปฏิบัติแล้วนะเจ้าคะอพอเรากลับมาอยู่ในชีวิตของคารวาสแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะปล่อยปะละเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้อย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงเนี่ยนะเจ้าคะก็คิดว่าควรจะกลับตัวกลับใจมาเริ่มปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะแม้ว่าจะออกจากวัดไปแล้วก็ยังจะต้องคงที่จะปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็รักษาจิตใจเราพยายามทําจิตใจให้ละเอียดยิ่งๆขึ้นไปใช่ไหมเจ้าคะใช่ธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียว ม, น, มนอยู่ที่จิตของเราจิตของเราถ้ามีธรรมะธรรมะก็อยู่กับเราที่นั่นเพราะฉะนั้นในการมาวัดเนี่ยบางทีอใช่ท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติเราก็กลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องทําต่อเนื่องเช้าต้องมีเย็นต้องมีนะกลางวันเราก็ละกิเลสอย่างห ย, ยาบๆกิเลสอย่างกลางๆอย่างเวลาเราจะทํางานอย่างเนี้ยถ้าเราใบามัวคิดฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่งานเราไม่สามารถทําได้นะประชุมก็ไปคุยเรื่องอื่น นี่นไม่อยู่กับเรื่องที่จะประชุมมันก็จะไปไหนไม่ได้งานการไม่เดินใช่ตรงนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมละแล้วกลับมาบ้านเราก็ปฏิบัติอย่างละเอียดนะคือการนั่งสมาธิส10นาทีเช้าเย็น15นาทีชาเทช้าเย็นอย่างนี้มันก็จะมีทั้งสามระดับเลยในวันหนึ่งใช่ไหมทั้งสมระดับในจิตดวงเดียวกันมันฟอกไปฟอกไปเนี่ยจิตเราก็จะยิ่งใสสะอาดมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นของสังคมจค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้บรรดาพุธาทธศาสนิกชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารั บ, บุรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อย่างยิ่งเลยนะเจ้าคะ่ะทีนี้เจ้าคะ่ะอีกเรื่องนหนึ่งนิดนึงอย่างตีห้ฟังรายการธรรมารั บ, บุรุณอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะถ้าท่านทั้งหลายตื่นมาตีห้เพื่อฟังรายการเนี่ยอเลมาก็จะต้องบอกว่างั้นคุณตื่นตีสีนะ่นั่งสมาธิสัก10นาทีก่อนที่จะมีสั ญ, ญญาณจากทางสวท ฟังไปนั่งสมาธิสิบนาทีแล้วก็รับธรรมะตอนเช้าตีห้าอย่างนี้แม่จะเป็นมงคลมากๆเลยใช่เจ้าค่ะแล้วตอนค่ำก็สมาธิอีกครั้งหนึ่งนะสิบนาทีก่อนจะนอนใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะสิบนาทีนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะอืง่ายมากครับเดียวบางทีเราไปรอเขาประชุมอย่างเงี้ยรอในที่ประชุมอย่างเงี้ยบางคนมาสายชิพแปนาที20สบนาทีครึ่งชั่วโมงโอ้ยเรานั่งรอแล้วรออีกมันได้ประโยชน์กว่าตรงนี้ถ้าเราทำสิบนาทีตรงนี้ ได้เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องที่บางทีการปฏิบัติของบรรดาพุทธศาสนาเอกชนเราเนี่ยเจ้าค่ะ อ, อย่างเช่นเราไปวดัดปุ๊บเราก็ไปกราบพระขอพร อ, อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยมากมักจะมีการขอใช่ใช่ยงนี้ก็เลยอยากจะทราบว่ามันจะมีการขอที่แตกต่างกันใช่ไหมเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังรับทราบสักนิดเถิดเจ้าค่ะว่าการขอเนี่ยในทางพุทธศาสนานั้ น, นเนี่ย มันมีการขออย่างไรบ้างที่แตกต่างกันแล้วก็ผลจะเป็นอย่างไรแตกต่างกัน อ, อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็ถ้าพูดถึงการขอเนี่ยเราดูที่พระพุทธเจ้าของเราทํำยังไงก่อนนะศาสดาคนที่ประกาศาศาสนาพูทธขึ้นมาท่านทํำไหมในะอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรานะคุณเตือนใจก็คลอดออกจากคันมารดาโผล่ออกมาเหมือนกับเราเหมือนกันนะแล้วก็ต้องกินข้าวทุกวันแล้วก็ต้องไปห้องน้ํา ก็มีลมหายใจเหมือนกันก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันมีตาสองตามีจมกูกหนึ่งก็มีปากทีนี้ว่าชีวิตก็เหมือนเหมือนกันแล้วดูซิว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมณโคดมเนี่ยขอไหมถ้าถ้าพระพุทธเจ้าขอเนี่ยคือขอแบบขอให้มันเกิดขึ้นขอให้มันเกิดขึ้นเองเนี่ยนะทำไม<ช>ตอน<ะ>ที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพลนะแล้วก็ทําไมไม่ขอต่อเทวดาของประจําต้นไม้โพธิ์เทพเจ้าแห่งต้นไม้โพขอให้ฉันบรรลุเป็นสมาสมัมพุทธะมันขอไม่ได้การขออย่างนี้ชื่อว่าการปรารถนา พระเจ้าพูดเปชัดเจนในเรื่องอริยสัจสีที่บอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์อันนี้นจริงเลยเจ้าค่ ะ, ะปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์น ะ, ะทีนี้พระพุทธเจ้าทำยังไงพุทธเจ้าตอนนั่งอยู่ใต้ต้นไมโพเนี่ยอธิษฐานคุณเตือนใจอธิษฐาน นะอธิฐานอะไรอธิษฐานว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระะเฉี่แห้งไปก็ตามดีใช่ไหมประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบักบันหากยังไม่บรรลุประโยชน์นี้แล้วเนี่ยจะไม่หยุดความเพียร น, นี้เลยนะคือความเพียรในการทําจิตให้บริสุทธิ์การอธิฐานตรงนี้ผู้เช่า บ, บอกนี่คือการอธิฐานของเราทีนะ่อตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพบเพื่อให้ได้เป็นสมาสมุท ธ, ธะอธิษฐานอย่างนี้คืออธิฐานสร้างเหตุไง สร้างเหตุว่าฉันจะไม่หยุดทําจิตให้บริสุทธิ์เลยนะฉันจะไม่หยุดแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลและทําเลยนะถ้าฉันยังไม่ได้เป็นสมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นคือพระองค์อธิษฐานสร้างเหตุถ้าขอแบบขอให้ได้ผลโดยที่เหตุคุณไม่ทําอันนี้เรียกว่าปรารถนาเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรเป็นทุกข์แน่นอนโจค่ะแต่ถ้าเราขอแบบอธิษฐานนะคืออธิษฐานสร้างเหตุอธิษฐานว่าเอา้าฉันอยากรวยใช่ไหมอยากรวยจะเป็นยังไง พระเจ้าพูดถึงเหตุหึงความรวยโอ้คุณต้องมีศีลมีเพื่อนดีมีความขยันขันแข็งเอาทำแค่นี้ฉันจะไม่หยุดขยันเลยฉันจะไม่หยุดเลิกคบเพื่อนชั่วฉันจะไม่หยุดคบเพื่อนดีเลยนะถ้าฉันยังไม่ได้สักร้อยล้านอย่างนี้เป็นตน้นจุอ่ะอันนี้คืออธิษฐานสร้างเหตุใช่ไหมเราอธิษฐานแบบพระพุทธเจ้าทําคือ <c oughs> อธิษฐานสร้างเหตุอย่างคนนั่งสมาธิเนี่ยอธิษฐานเลยนะว่าเอาฉันจะไม่หยุด นะในการมีสติอยู่ในลมหายใจถ้าจิตฉันยังไม่เป็นสมาธิเจ้าค่ะนะอย่างน้อยเป็นเวลาสักสิบห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นอบางคนอาจจะมีเทคนิคว่านึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนใช่ไหมเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะทําสมาธิก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของสังขารนุสติคือระลึกถึงพระสงฆ์คุณงามความดีของพระสงฆ์อย่างเนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเบมือนตอนที่พวกโยมไป อบรมหรือว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ไปเข้าคอร์สอบรมของวัดป่าดอนไห่โศกนะเจ้าคะช่วงหลังๆพระอาจารย์ไพบุญก็จะในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรก็จะบอกว่าให้นั่งอธิษฐานจิตก็คือว่าจะไม่ขยับตัวเลยในหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าคะห้ามขยับเพราะถ้าขยับขยื่นเนี่ยก็ถือว่าถึงจะปวดเมื่อยไงก็ต้องทนไปอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะอันนี้เป็นเป็นการทดสอบเหมือนอย่างาที่พระเจ้าเราทำนั่นแหละเป็นการให้กําลังใจนึกถึงพระรูเจ้าว่า โอ้ยสมณัโคโดมนี่ทําได้ขนาดนี้น ะ, อะพอเราเรานึกถึงตรงนี้อาตมามีกําลังใจขึ้นมาเลยแล้ว ก, ก็คิดว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนึกถึงความดีงามของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะมีกําลังใจขึ้นมาน ะ, ะตรงนี้ยมันเป็นกําลังความเพียร ท, ที่ที่ทําให้เรามีในการปฏิบัติต่อไปไม่ย่อท้อท้อแท้ท้อถ อ, อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นบางทีพอ ตั้งจิตดีๆอธิษฐานดีๆนี้แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเลยนะเจ้าค้าผ่านเยอมากเลยซึ่ง<ช>ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนกันมาเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่พริชาวใช่ไหมเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้นำในการสอนประเภทนี้ไล่มานะอัครสาวกทั้งหลายสาวก80รูปนะถ่ายทอดคำสอนมาไล่มาสายธรรมทูตที่มาเมืองไทย ได้ <c oughs> นะามาหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาได้มาครูบาอาจารย์ต่างๆจนกระทั่งอาจารย์ของอาตามาเนี่ยก็คือหลวงพ่อด็อร์สะอาดที่เป็นเจ้าวาดพระ ป, ระประ่าดอนไห่โศกนี่แหละเจ้าค่ะซึ่งทราบว่าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะคือวันอาทิตย์ที่4ีธันวาคมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเพชศพระคุณหลวงพ่อดอกรสะอาดที่โตภาสุอาจจะได้จัดงานแสดงบุธิตาจิตต่อหลวงพอ่อใช่ไหมเจ้าคะใช่ใก็มีคระว่าที่ก็เป็นลูกศิษย์ หลวงพ่อหลายคนได้มาประรุบว่าในวันคล้ายวันเกิดคือวันที่สี่ธันวานเนี่ยก็จะจะจัดขอแสดงมุทิตาจีสการะหลวงพ่อท่านก็อนุญาตก็ในวันที่สี่ 4, ก็เลยจะมีการจัดงานกันที่วัดป่าดอนไหโศกเจ้าค่ะนะก็รายละเอียดมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงนิดนึงเผื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังอยู่ก็จะได้รีบเดินทางไปเจ้าค่ะออจริงจริงงานก็เหมือนธรรมดาไม่มีอะไรมาก ตอนเช้าช่วงประมาณ7จ็ดโมงพระสงฆ์ก็จะบินธบาตเสร็จแล้วประมาณ8ปดโมงก็จะเริ่มถวายพระทหารและหลังจากฉันอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีในศาลาตอนประมาณ10บโมงในการที่จะสักการะรดน้ำหลวงพ่อก็จะแสดงสมโภชนียาคถาเทศบ้างอะไรบ้างคคแล้วก็อาจจะมีซีดีที่เขาได้ทํามาเป็นซีดีกันเทศของหลวงพ่อเนี่ยแจก ชุดใหม่ที่ได้บันทึกล่าสุดเมื่อหลักสูตรการเหล็กเรนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีกองชมอะไรต่างๆที่เขาทำมาเหมือนกันก็ถ้าใครสะดวกมาได้ก็เขขอให้มาได้เหมือนกันที่วัดป่าดอนไฮโศกวันที่สี่ธันวาคมก็คือในเช้าวันพรุ่งนี้ถูกไหมเจ้าคะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็หลังจากที่สการะเรียบร้อยงานก็จบเจ้าค่ะก็อนเที่ยงแหละ S <S อิ่ม อ, อกอิ่มใจนะเจ้าคะได้บุญกันไป<ช>น่าเสียดายที่ว่าตัวโยมเองจะไม่ได้มีโอกาสมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร ok สตาธิโตปโสในการแสดงมุทิทาจิตต่อท่านในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามก็จะฝากพี่โยมเทวีพลายบัวนะเจ้าคะซึ่งเป็นลูกจิ์ของวัดเช่นเดียวกันะจะได้ร่วมทําบุญแล้วก็ถวายปัตถานเพลนกับพี่โยมเทวีพลายบัวด้วยก็ต้องฝากกราบนมัดการหลวงพ่อด้วยนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขะคือเรื่องเรื่องของการมาที่วัดเนี่ย ก็ได้อย่างที่เคยพูดไปว่าถ้าเรามีจิตที่เป็นกุศลมีจิตที่ไม่สัตย์สายหมุนไปผิดมีสัมมาทิฏฐิมีจิตเป็นหนึ่งไม่มีมนิวรเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ชื่อว่าบูชาเหมือนกันกราบอยู่ที่บ้านก็ได้กราบอยู่ที่สำนักงานก็ได้นะไม่ต้องมาก็ถือว่าบูชาแล้วเจ้าคะ่ะ อันนี้ก็โยมก็ขอน้อมรับแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปที่วัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันแสดงพุธิธาจิตต่อพระพุกุลหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือว่าเป็นวันกล้ายวันเกิดของท่านนั้นก็เรียนเชิญ น, นะคะแต่สําหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นั้นก็อย่างที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนไ ด, ด้เมตตาบอกแล้วนะคะว่าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานบูชา แล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้ชื่อว่าบูชาอย่างโยมเองก็จะได้ร่วมถวายพัตทหารเพลงแล้วก็ถวายปัจจัยใดหลวงพ่อด้วยถึงแม้ว่าท่านจะจับเงินไม่ได้นะเจ้าคะแต่โยมก็มีจิตศรัทธารวมทั้งน้องๆที่อยู่ของ กรมประชาสัมพันธ์ด้วยเนเจ้าค่ะอย่างคุณแอดที่คำพนบุญนาก็จะฝากไปร่วมทําบุญกับทางหลวงพ่อด้วยซึ่งอันนี้ก็คิดว่าอยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นวัดที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วก็สามารถผลิตลูกศิษย์ที่เป็นเอกจริงๆอย่างพระอาจารย์พิบุตรพิบุโนมาให้พวกเราได้รับฟังธรรมะดีๆจากท่านเป็นประจําทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อไปนะคะ ค่ะทู่ฟังเข้าเวลาในรายการธรรมารบปรุลในเช้า ว, วันเสาร์ที่3ธันวาคมซึ่งเป็นเสาร์แรกของเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2554นี้หมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าตี5เรากลับมาพบกันใหม่นะคะซึ่งจะมีเรื่องราวที่ะจะได้พูดคุยให้ฟังน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าใกล้วันเฉลิ ม, รม พ, รรพระชนมพรรษาครบเรอบแปิพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะค่ะก็ขอ พาท่านผู้ฟังกราบน้อมัสการลาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกราบน้อมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าการพระอาจารย์เจ้าขาเรียนพานสาธุเจ้าค่ะ